นักภาวนาให้ระวังจิตใต้สำนึกนี่มันแปลกอยู่หลวงพ่อก็ยังคลองใจเอ๊เราจะบาปหรือเปล่าไปเทศในป่าเมืองลบบุรีในภูเขาโนอนขากลับไปแวะไหว้พระพุทธบาทพอไหว้พระพุทธบาทเสร็จแล้วก็เดินไปดูสวนดอกไม้อะไรที่เขาทำเอาไว้ มีพระองค์หนึ่งโผล่ออกมาท่านจะดูอะไรทำไมไม่ขออนุญาตผมบวชมาจนหัวงอกละไม่รู้เหรอวินยัยอ้าวเราอุตส่าห์ถ่อมตัวลงมาดูสวนให้ยังมาว่าเราอีกพอเสร็จแล้วกลัวมันจะเกิดเรื่องเพราะว่าหมอท้าทานนักเลงเราก็ยกมือไหว้ขอโทษที่เธอครับผมผิดไปแล้วแล้วก็เดินหนีไปพอนั่งรถจะกลับเข้ากรุงเทพ ตอนนั้นพักอยู่ในกรุงเทพจิตใต้สำนึกมันพรวดขึ้นมาประวัดเนี้ยเดี๋ยวมันก็ได้ฆ่ากันตายภายในพรรษายังไม่ออกพรรษาเลยสมภารถูกยิงตายสมภารวัดพระพุทธบาทนี่แหละจึงไม่ได้คติว่านักภาวนานี่ให้ระวังจิตใต้สำนึกแต่มันพรวดขึ้นมาแล้วมันรั้งไม่อยู่